ความที่ฉันได้เขียนมาจากบทเรียนที่เธอเคยเรียนว่าากที่ฉันเหน่ยไปเบ่าจากอารมณ์ที่เธอผ่านเธอเพียงการเดินทางเพียงหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนหนึ่งปีมันมีความหมายทาไมเติบโตเรียนรู้เข้าใจได้มากกว่า การเดินเท่าฉันและเธอคือการเรียนรู้การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจการเดินเท่าฉันและเธอคือการเรียนรู้การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจในสิ่งนั้น เรื่องราวที่เราเผชิญอยู่ที่เราเข้าใจมันไหม <S <S เ, เมหม <S 1> <S 1> พียงการเดินทางเพียงหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนหนึ่งปีมันมีความหมายเพาะในแต่ต้องเรียนรู้เข้าใจได้มากกว่าการเดินทางฉันและเธอคือการเรียนรู้ การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ Andrew ทำใหเรามั่นใจการเดินทางขฉันละเธอคือการเรียนรู้การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำใหเรามั่นใจในสิ่งนั้น การเรียนรู้การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจการเดินดเท้าฉันและเธอคือการเรียนรู้การเรีนยนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามันม่นใจ ฉันและเธอคือการเรียนรู้การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจการเดินทางฉันและเธอคือาการเรียนรู้การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจ